ทัานพุทธศาสนกนชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสูตรสมเณรที่รัก <c oughs> สำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนฟังพระสูตรถือว่าเป็นการฟังพระสูตรก่อนหลับหรือว่าก่อนนิทราเอง ใ, ใครก็เขียนว่าเป็นพระสูตรก่อนนิทราหรือนิทานก่อนหลับ ในความก็มีว่ามืองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเมื่อทรงประทับอยู่ที่ประเชตวันทรงปรารพอธิสฐานจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่านาเวกะทิยารานาเวกะทะริยาเทวโลกังว่าชันติเป็นต้นในความมีว่า ในเมืองพาราณสีในตอนนี้ท่านบอกว่าพระราชากับบรรดาลักษฎรดอนมีการแข่งขันกันทาบุญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนยจะคิดและเรื่องนี้ยาวหน่อยจะจบไปหน้าเดียวหรือไม่ก็ไม่ทราบในความมีโยว่าสมัยหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจะลิกไปคือเที่ยวไป <c oughs> มีพระสุห้าร้อยรูปเป็นบริวารทรงสเสด็จเข้าไปถึงไปเชตวันพระราชาสเสด็จไปที่วิหารคําว่าพระราชาหมายถึงพระเจ้าประเสริฐนิธิโกศลทรงสเสด็จไปที่วิหารที่พระเชตวันแล้วกราบทูลองค์สมเด็จพระพักกวัรณทูลนิ ม, มนต์พระพเดจา ว่าในวันรุ่งขึ้นจะทรงเตรียมอาคัาคนธุกะทานเออในวันรุ่งขึ้นท่านจะถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมเป็นประสงค์ที่เรียกว่าอาคันธุกะหมายถึงผู้มาโดยพระที่มาทั้งหมดเนี่ยพระองค์จะถวายและจะได้ทรงตัดเรียกชาวมณฑลว่าจงดูทานของเราในแววเมืองนี้นะก็แข่งขันกันทําความดี เขาไมา่ได้แข่งขันกันโกงแข่งขันกันให้ว่าท่านท่านหลายจนดูทานของเราชาวมนากรมาเห็นทานของพระราชาแล้ว <c oughs> วันรุ่งขึ้นจ้านี้มนต์สมเด็จพระพูทมีพระพ้าเจ้าพร้อมด้วยประสงค์ทั้งหมดเตรียมจะถวายทานบ้างแล้วส่งข่าวไปกราบทูลพระราชาคือพระเจ้าประสิทธิโกศน ขอพระองค์พระสมมติเทพจงมาทอดพระเนตรทานของข้าพระองค์ท่างหลาย <c oughs> เขาก็พยายามจัดทานให้ยิ่งกว่าพระราชาที่ถวายเมื่อพระราชาได้ทอดพระเนตรแล้วก็กราบพูลสมเด็จพระประทพีบแกวอีกสมนิมริว่าทานอันยิ่งกว่าทานของเราที่ชนทั้งหลายเหล่านี้ทาแล้วเราจะถวายทานอีก ย่ต้องถวายให้ยิ่งกว่าเราจะยอมแพ้ชาวบ้านไม่ได้จึงทรงรับสั่งให้เตรียมทานเสร็จเรียบร้อยในวันล่งขึ้นแล้วก็บอกให้ชาวพระนครมาดูอีกชาวพระนครมาดูแล้วเห็นว่าทานของพระราชา ย, ยิ่งใหญ่กว่าของของพวกตนมากจึงมีการเตรียมตัวถวายทานกันอีก แล้วว่กราบทูลนั้พระราชาทรงทราบเอาวันพรุ่งนี้ข้าพุทเจ้าทั้ทงหลายจะถวายทานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเทจ้าขอพระองค์จงสเสด็จมาดูทานข้าพเจ้าเป็นว่าทานของชาวบ้านเนี่เขารวมกันเต็มมตราก็มีจิตใจเสมอกันเป็นคนดี <c oughs> ทานเขก็มากกว่าพระราชาพระราชาองค์เดียวสู้เขาไม่ได้นี่ก็ เป็นอันว่าพระเจ้าประเสนาธิโกรุณท่านเป็นพระราชาที่ไม่ยอมแพ้คนในด้านทำความดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเองปรารถนาพุทธภูมิต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าและขอบรรดาผู้ฟังท่านหลายโปรดทราบว่าในเมืองพา ร, ราณสีนี่พระราชาทุกองค์มีนามว่าประเสนาธิโกรุณเหมือนกันหมด <c oughs> แ้พระบรมราชินีก็มีนมามพระพุนามณีกาเหมือนกันหมดในเมื่อเหมือนกันอย่างนี้โดยชื่อแต่ว่าจริยาก็ดีความคิดเห็นก็ดีความประพฤติก็ดีจะไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าหากว่าไปอ่านพบหรือฟังพบว่าเมืองพาดานสี มีรพระเจ้าประเสริในที่โกรธสนหรือว่าพระมารนางมริกาที่ประพฤติตัวไม่ดีให้ทราบว่าเป็นองค์ไหนกันแน่ไม่ใช่องค์นี้ก็เป็นว่าพระราชาไม่สามารถจะเอาชนะชาวบ้านได้จึงคิดในใจว่าเราจะไม่ยอมแพ้ต่อมาในวาระที่หกคือว่ากันไปว่ากันมาถึงวาระที่หกชาวพระนครก็เพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า พระราชาให้เท่าไรชั้นให้เท่านั้นเพิ่มเตรียมให้สูงขึ้นตจะเตรียมทานโดยที่คิดว่าอะไรที่ไม่มีจะต้องไม่มีในทานอันนี้ทานคราวนี้ต้องมีทุกอย่างเพราะเรามากด้วยกันเราจะต้องเอาชนะพระราชาของเราให้ได้ท่านเป็นพระราชาก็จริงแหละแต่ว่ากําลังของท่านน้อยกว่าเราเราชาวมณฑลนครทั้งหมดช่วยกัน ก็ถือว่าไม่ใชพ่อชาวพนครชาวบ้านทั้งหมดช่วยกันเข้าปราบริการราชาคือพระยาประสิทิ์นิธิโกศลไปทอดเทะเนทานนั้นแล้วทรงดำไว้ว่าถ้าเราจะไม่อาจทําทานให้ยิ่งกว่าของชาวพนครทั้งหมดนี้ให้สูงกว่าเขาแล้วก็ชีวิตของเราจะอยู่เพื่ออะไรคนอย่างเราจะยอมแพ้ไม่ได้ ถ้าเราไม่สามารถชนะทานของชาวบ้านได้เราตายดีกว่าเมื่อคิดแบบนี้แล้วท่านยังไงก็คิดไม่ตกตรงใจว่าจะหาอะไรมาบ้างไปดูแล้วชาวบ้านแกมีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าอะไรไม่มีไม่มีในทานนั้นมีทุกอย่างคบถุนและที่สุดก็หาบายไม่ได้ทำยังไงก็นอนบรรทม นอนดำริทิวบ่ายที่จะต้องทําอยู่นอนที่เั้นนอนพึ่งน่ากลัวจะไม่จบนะนอนตอนนอนเนั่งรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะกินข้าวกินปลาใครมาพูดก็ไม่ค่อยอยากจะพูดโดยนั่งคิดอย่างเดียวว่าเราจะเอาอะไรมาให้ทานดีหนอจะยิ่งกว่าเชื้อบ้านเขาไม่ยอมแพ้เราเราก็ยอมแพ้ไม่ได้นี่ทุกคนผู้ฟัง ถ้าทุกคนที่ฟังแล้วมาแข่งขันก็รทำความดีอย่างนี้จะมีประโยชน์มากขอตะลุยเรื่องตอนนั้นมาพรนางมาริกาก็เข้ามาเฝ้าเท้าเธอพนังมาริกาเทวีนี่ชื่ อ, อย่างนี้มันเหมือนกันเจะต้องเรไว่าพราะนางมาริกาเทวีโดยตาแหน่งพระราชินีแต่ชื่อจริงๆที่ยังไม่มาเป็นพระราชินีชื่อว่าศราจิต สีรจิตนะเข้าไปเฝ้าเท้าเธอแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเพราะเหตุไรพระ อ, องค์จึงเป็นผู้บรรทมึ้นนอนแบบนี้และทำไมร่างกายของพระองค์นี้ดูมันก็คนที่มีเหนื่อยความเหนื่อยมากนอนถอนใจบรรทมถอนใจร่างกายก็สูบสีหน้าตาก็สูบสี ด, ต า, สสดตาก็เหมือลอย พระองค์ทรงคิดถึงเรื่องอะไรหรือพระเจ้าคะหรือว่าจะไปเจอเทวีที่ดีกว่านี้อีกพร้มฉันจะไปติดตามมาให้พนางทรงทราบ พ, พระราชาก็ทรงตรัสว่าพระเทวีนี่น้องหญิงเธอยังไม่เข้าใจนะเวลานี้นะฉันแพ้ชาวบ้านเขารู้ไหมฉันให้ทานเท่าไหรชาวบ้าน ก, ก็รวมใจกัน ใหมากกว่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วฉันจะเอาอะไรดีไปชนะชาว บ, บ้านเขา <c oughs> เออน้องหญิงทราบว่าน้องหญิงเป็นคนมีปัญญาดีมีความละเอียดรอบคอบและก็สุ ข, ขุมมีความรู้จักประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์จะมีอะไรช่วยฉันคิดได้บ้างไหมเวลานั้นพนางมณีกาก็กราบทูลเท้าเธอว่า ข้าแต่สมุติเทพพระองค์อย่าทรงคิดมากไปเลยเรื่องทานไม่ใช่ของหนักพระราชาไน้เป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินอันชาวบรรคอนั้นหลายญ่แพ้นไม่ได้พระองค์เคยทอดพระเนตรหรือว่าเคยสะดับและที่ไหนม่าหม่อมฉันจะจัดแจงทานแทนพระองค์ นม่ก็หมายความมาเคยเห็นไหมที่พระราชายอมแพ้ชาวบ้านพระราชาี่ความจริงไม่ใช่มีมณะหนักแต่ก็ต้องทำความดีให้เหนือเพื่อเป็นการจูงใจคนให้มีความดีให้ปฏิบัติความดีตามทั้งนี้พ่อะหญ่พ่เด็ยจมเห็นว่าผู้ใหญ่ทำดีก็อยากจะดีบ้างทำยังไงก็ชอบทำตามนั้นราะเมื่อพระราชาชอบให้ทานชาว บ, บ้านก็ต้องให้ทาน ให้มันนานจะได้กราบทูลเท่าเธออย่างนี้ว่าความที่พระนางเป็นผู้ใคร่จะจัดแจงอธิษฐานคือหมายข้าตั้งใจไว้แล้วว่าจะถวายอธิษฐานมานานแล้วแต่โอกาสมันยังไม่มีนี่ค่าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงรับสั่งให้เขาทำอย่างนี้กยนหนึ่งทำมัดบสำหรับนั่งในวงเวียน คือทำวงเวียนแล้วก็ทำมันดบสำหรับนั่งได้ใช้ไม้เรียบๆที่ทำด้วยไม้สาระแล้วก็ใช้ไม้ขานนางไ้ขานงไม้ขางขาทางขาทำมินุเพื่อบรรดาพระสงฆ์นั่งหลาย500ห้า ร, ร้อยรูปให้พระรอยรูปห้าร้อยรูปนั่งสำหรับพระที่เกินห้าร้อยจากนั่งภายนอกวงเวียน นี่ในวงเวณนห้าร้ยนะทำตั้งทำโต๊ะตั้งสวบายและขอจงรับสั่งให้ทำสเสวกชับห้าร้อยคันนี่ก็ช้างประมาณห้าร้อยเชือกช้างนี่จะถือสเสวกชับทั้งหลายเรานั่นกั้นอยู่เบื้องหลังแห่งวิสุห้าร้อยรูป <c oughs> งานมันใหญ่มากและขอจงรับสั่งเออ แล้วขอจงรับสั่งให้ทําเรือสําเร็จด้วยทองคํามันมีสีสุกคำว่าสําเร็จงหมายว่าสั่งทําเรือทองคําทองคําแท้ๆที่มีสีสุกสักแปดลำหรือสิบลำแล้วก็เรือเหล่านั้นจะมีถ้ำกลางบรรบแล้วก็จะมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งๆจากนั่งบทของหอมอยู่ในระหว่างพิสูจน์สองรูป คือวิสุท์สองพระสององค์มีเจ้าหญิงหญิงหนึ่งองค์นั่งบทของหอมถวายแล้วก็เจ้าหญิงอีกองค์หนึ่งจะถือพัดถวายกับวิสุ์สองรูปเป็นพระห้าร้อยนี่ก็เจ้าหญิงห้าร้อยเข้าไปแล้วนะเจ้าหญิงที่เหลือจะนำของหอมที่บทแล้ว <c oughs> มาใส่ในเรือทองคำทุกๆลำ แล้วันดาเจ้าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นเจ้าหญิงบางพวกจากถือดอกอุบลเขียวกับดอกบวัวเขียวคล้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคําเจยากไปสูรเอากลิ่นอบค <c oughs> <c oughs> อไม่ดีให้ไปสูรับเอากลิ่นอบเจ้าหญิงสําหรับเจ้าหญิงที่ไม่มีเอาเพราะว่าที่ทําอย่างนี้นะ ที่เจอการชนะชาวบ้านแหมคอมันแยกเพราะว่าชาวบ้านเขาจะไม่มีเจ้าหญิงใช้เอาเจ้ามีเฉพาะกลุ่มเจ้าคําว่าเจ้าจะมีเจ้าหญิงไม่ได้ชาวบ้านจะมีเจ้าหญิงไม่ได้อีกริการหนึ่งชาวบ้านก็ไม่มีสเสบียกชัดและชาวบ้านจะมีช้างก็ไม่มากเท่าช้างของพระราชา <c oughs> นี่ถือเอาชนะกันตอนนี้ และชาวบ้านจักแพ้ด้วยเหตุผลเหล่านี้พระเจ้าค่ะ ก, ก็ต้กราบทุลกรต่อไปว่าข้าแต่มหมาไร้ขอพระองค์จงรับสั่งให้ทําอย่างนี้เถิด <c> พ <oughs> ระยาประสิทธิหน้าที่ก็สนฟังและก็ดีใจหายเหนื่อยลุกผลผ ล, ผลันมาทันทีว่าดีแล้วน้องหญิงเรื่องไองามเจ้าบอกพี่แล้วที่นี้ทรงรับสั่งให้ทํากิจเจ้าสิ้นโดยจานองที่เป็นานางกราบถุนนั้นแล้ว ช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอเก็บพิสูรูปหนึ่งแต่หมายความว่าพิสูต่ะองค์พระแต่ะองค์ต้องใช้ช้างแต่เชือกแต่นับไปนับมาแล้วช้างมันไม่พอที่ช้างไม่พอไม่ใช่ละช้างนะ่ะมีมากแต่ไม่ไม่พอฟังเหตุผลไม่ก่อน <c oughs> แต่บอกว่าช้างเชือกหนึ่งจะพาะพระพิสูรูปหนึ่งห้าร้อยรูปยังไม่พอแก้ทํายังไง พนังมาเลย์กาใจกราบทูลถามว่าช้างห้าร้อยเชือกเนะี่ยพวกเรามีไม่พอหรือมีไม่ถึงห้าร้อเชือกหรือพนังทราบว่ามีมากพระเจ้าประเสริฐนาที่ก็สนก็ตัดมือว่ามีน้องหญิงแต่ว่าช้างไอ้ที่ว่าไม่พอนะ่ะมันเหลือแต่ช้างตัวดุร้ายน่ะสิเพราะช้างนั่นหลายเหล่านั้นได้เห็นพระเข้าแล้วก็มันจะทําร้ายพระเพราะว่าช้างเห็นพระที่ไม่เชื่องกับพระ ก็เหมือนก็ควายที่ไม่เชื่องกับพระไล่ขิดพันนั่นเองเหมือนก็บลมพายุไล่พระเพป่นนางที่ไกราบทูลใ้ทรงทราบว่าข้าแต่สมทุทรเทพมอมฉันทราบที่เป็นที่ยืนถือฉัดของลูกช้างซึ่งดุร้ายเชือกหนึ่งหมายว่ามีลูกช้างเชียกหนึ่งเนะี่ยพร้อมที่จะถือฉัดได้ถึงแม้มันจะดุร้ายก็สามารถปราบได้ด้วยกำลังใจ พระเจ้าประสเสนที่ก็สงฆ์ก็ถามว่าเราจะเอาช้างมายืนที่ตรงไหนล่ะพระเทวีก็ตราบทุนว่าพนางังบดิกานะยืนที่ใกล้สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาคเจ้าว่ายืนที่กใกล้พระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าองค์ครีมันหมายความลูกช้างตัวที่มันดุเอาว่ายืนใกล้กลองค์ครีมานให้สู้กันเดี๋ยองค์ครีมานไม่ใช่ก้อย แล้วเวลานี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระราชรับสั่งให้ราชบุตรทาอย่างนั้นกระบแล้วก็ลูกช้างคือว่าพระราชารับสั่งให้ราชบุต ร, รเอาช้างตัวนั้นมายิงใกล้องค์คุณิมานถือฉัดพอเข้ามาใกล้แต่องคุณิมานเพราะอาศัยบารมีความดีของท่านลูกช้างก็สอดหางเข้าไปในระหว่างขา ได้ปรบหูทั้งสองก็ตั้งหูทั้งสองขึ้นหลับตายืยนอยู่มหาชนแลดูช้างที่ทรงสวีกระชัดเพื่อพระเถระคือว่าพระองค์ริมานนั้นจึงพากันคิดว่านี่เป็นอาการของช้างที่ดุร้ายชื่อว่าเห็นป่านนี้ท่านองค์ริมานพระเถระย่อมทําได้หมายความปราบพยศคองช้างได้พระราชาทรงถวายพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน โดยอาหารนั่นปลาหนิดแล้วถวายบางคนพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดที่เป็นกับปิยะคือไปขอสมควรหรือไป็นกับปิยะพันธ์ของที่สมควรที่ของใช้ในโรงทานนี้ทั้งหมดม่อมฉันถวายทุกสิ่งทุกอย่างแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือถวายกันหมดเอาของนํานมาชิ่คน สิ่งที่เป็นวัถตถุทั้งหมดเรือทองคากอดดีอะไรกอดดีหมดเตียงตังกอทั้งหมดถวายหมดเป็นอันว่าพระราชาทรงถวายเสร็จท่านกล่าวต่อไปเ อ, อ้ยนิดหนึ่งมันไม่จบในเรื่องนี้ท่านกล่าวว่าในทานทั้งหลายเหล่านั้นทรัพย์มีประมาณสี่สิบสี่กดเรือถวายทานข้างนั้นถวายซึ่งทรัพย์สิบสี่กอด ท่านพระราชาทรงบริจาคในวันเดียวนั้นและของสี่อย่างก็คือเสเวกฉะชับหนึ่งบัลลังก์สำหรับนั่งหนึ่งเชิงบาทหนึ่งตังสำหรับเช็ดเท้าหนึ่งเป็นของที่หาค่าไม่ได้เป็นของมีราคาสูงเมื่อเสวสัสดงดาคือสมเด็จพระพู้ทธมีพระภาคเจ้ารับทราบแล้วเท่าขันกล่าวว่าใครใครผู้สามารถที่ทําทานหินป่านนี้แล้ว ไม่มีไม่สามารถจะทําได้ถวายทานในพระพุทธเจ้าท่างหลายในครั้งในครั้งใหม่อีกก็ไม่ได้ว่าทานประเภทนี้เขาถาวายกันคราวเดียวเพราะเหตุว่าถ้าทิศาทานประเภทนี้จะปรากฏแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งองค์แต่หนึ่งครั้งเพื่อถาวายเกันครั้งเดียวของมันหนักปริมาณมันสูง แล้วผู้ที่ถวายทานได้ประเภทนี้ก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายก็เรื่องราวมันก็มีมากมันก็จบไม่ได้ทีจะรัดก็รัดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าต้องเอาหนังสือมากลางแล้วก็เล่าสู่กันฟังเพราะเรื่องท่านมีความละเอียดเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ก็หยุดกันแค่นี้นะสําหรับท้องเรื่องเ <c oughs> หลือเวลาอีกห้านาที ก็มา น, นั่งคิดกันว่าในเมืองพาราณสีนะ่ะพระเจ้าบเสสนที่กระสนความจริงก็เป็นสหายกักบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวว่าเป็นพระเสหายคือเป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและก็มีศรัทธานในองค์สมเด็จพระพักตวันบริบาลศาสดามากและการทําทานคิดว่าโพธิสัตว์แต่ไม่ยั้งในการทําทาน แล้วก็แถมมีพระมเฮสีขึ้นมานางมริกาเทวีอย่าลืมนะมริกาเทวีนอง น, นี้ถ้าชื่อเดิมก็ท่านชื่อศีรจิตเป็นผู้ดีทรงทานมากเวสาธรรมมากจริยาของท่านยังมีมากไปกว่านี้แล้วก็อย่าคุยกันมันหน้าจะรวมความว่าทานที่ท่านให้อาศัยบุญบา ร, รมีเดิม คือว่าถอยหลังในชาติต่อๆไปก็ปรากฏว่าเท่าสองท่านนี่ท่านผู้รู้ท่านบอกให้ฟังในธรรมบทอาจจะไม่ได้บอกไว้ท่านบอกว่าทั้งสองท่านนับตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปรารถนาพระโพธิญาณมาตั้งแต่เริกแปลงก็เป็นผู้หนักในฐานบางครั้งบางคราว ท่านเกิดในแต่สภาวะของคนยากจนห้านุ่งก็เก่าแสงเก่าจะต้องประกอบอาชีพด้วยแรงงานคือทำไร่ทำผักฐานะเอาสมบัติก็ไม่ค่อยจะมีกินแต่ว่าปรากฏว่ามีคนยากจนเข็นใจมาเมื่อไรอาหารขอท่านแม้จะเกือบไปอิ่มท่านพยายามแบ่งให้แบ่งให้แม่มากก็แบ่งให้นั้นน้อยพอที่ประทางชีวิตไปโชคราว นี่กำลังใจของท่านเป็นอย่างนี้เนื่งในทานโดยเฉพาะพ น, นางมาริกาเทวีท่านผู้รู้ผู้นั้นบอกให้ทราบว่า พ, พ น, นางมาริกาเทวีเนี่ยถ้ า, ายทันหนักเป็นไมเศษในอดีตที่ผ่านมาจะไร ว, ว่าชาตินี้ก็าตามจะเป็นคู่ปรับกับนางวิสาขามหาบาสิกา คือหนึ่งจริยาก็มีความนิ่มนวลสองการสละทานก็หนักมากในชาติก่อนๆมาอันนี้อย่อ้างให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไม่ได้นะด้วยคนท่านผู้รู้บอกว่าในชาติก่อนๆท่านชอบบูชาทานบูชาธรรมด้วยเครื่องประดับในบางคราวท่านเกิดเป็นพระราชินีของประมหากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่ ง, งในชาตินั้ น, น, น ว่าฟังเทเจองค์สมเด็จพระพักกวันคือพระพุทธเจ้าก็ดีฟังเทศเจกพระอรหันก็ดีพอใจในธรรมะถอยเครื่องประดับที่มีราคาสูงที่สาวบ้านชาวบ้านไม่สามารถจะมีถ้าไหวบูชาทำแล้วก็ตีราคาเป็นเงินตีราคาเป็นเงินให้มันสูงกว่าราคาปกติแล้วก็ประกาศขาย พระใช้เครื่องประดับไม่ได้ท่านทราบเมื่อไม่มีใครซื้อท่งนก็ซื้อเองเอาเงินจํานวนนั้นบํารุงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพราะอาลัยสงอย่างนี้การให้ทานหนักมาในการก่อนต่อมาสมัยเมื่อพบองค์สมเด็จปัญญาวรราชสวามีในสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระเจ้าประเสีนาธิกโกศล ว่า น, นางศีรจิตในขณะนั้นก็มาเกิดเป็นวัา น, นางมณีกาเทวีนี่ชื่อสำหรับวราชินีนะชื่อโดยตำแหน่งแต่ชื่อจริงศีรจิตท่านว่าอย่างนั้นผิดถูกกไปเรื่องของท่านถ้าเรื่งการถวายทานในครั้งนี้จริงเป็นของไม่หนักเพราะว่าสมสมัยนั้นมีมาหาเศรษฐีมีเงินนับเป็นแปดสิบโกดบ้าง160ร้อยหกสิบโกดบ้างยิ่งไปกว่านั้นบ้าง คนที่มีมากหนักจริงๆขึ้นนาคือนางวิสาขามาหาบาศิกาในเมื่อชาวบ้านมีทรัพย์อย่างนั้นมากพระราชาก็ต้องมีทรัพย์มากจริงขึ้นจากนั้นจริงทรงพระเจาทธธานการบำ ร, รุงกุศลได้ทิ้งวันละสิบสี่โกฎแล้วสิบสี่โกหมายความว่าแม้แต่พระนางมณีกาเทวีก็มีสิทธิ์จะใช้ในเงินนี้คือวันหนึ่งวันหนึ่ง ราชาสามารถเจ้รปเทวีจับจ่ายใสองบารวงคนภายในถึงบรรดาสิบสี่กฎและก็มีผู้สงสัยว่าพ ร, ระเจ้าประสเในที่กระสนสมัยนั้นมีลูกเท่าไรพัญญาไม่ใช่คนเดียวพนางมดิกาเทวีเนี่ยที่ว่าเป็นพัญญาเอกเอกอรธรรมเยเฮสีนอกนั้นจะมีเท่าไรก็ดูลูกลูกสังเกตตามเรื่องนี้จริงปลาเข้าไปเลยพันคน ถ้าลูกเกินพันคนคือเจ้าหญิงเกินพันคนอาจาจะเป็นลูกบ้างเป็นหลานบ้างเป็นเหลนบ้างแต่ก็จริงๆแล้วทำไมเจ้าหญิงส่วนใหญ่จะเป็นลูกกษัตริย์ถต่ว่าเป็นลูกของกษัตริย์ข้างเคียงคือน้องรองลงไปและรวมความว่าพระราชาถ้ามีทรัพย์ก็ใหญ่ฐานะก็ใหญ่มีลูกก็มากตามฐานะเรื่องราวในตอนนี้ยังไม่สรุปหลงธรรมะอารบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนา สัญนยานบอกผ่านหมดเวลาผ่านไปแล้วขอยุติก่อนขอรา ก, ก่อนเข้าความสุดสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบุรณผลผลจงมีเดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีเรื่องนี้นะจะต่อในวันพรุ่งนี้ต่อไปสวัสดี